أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا داود يا داود. إن جعلنا خ ل ي ك خليفة. فح كن بين الناس ب الحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى ف ي ل ك ع َ س َ ه فيضلك عن سبيل الله อินนั้น الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد บีมานัสูยุมาล حساب ว ا ะ خلق ا ل ن س م ا ل ا ر وما ب ن م ا ر وما بينهما ا ذلك ظن الذين كفروا. فويل للذين كفروا من النار Oh. Uh... م ب ا ر ك ل ِ أ َ ب َ ب ا ل ي و ء ا و ل ي ت ذ َ ك َّ ر و ا ل أ ل ب ا ب بسم الله الرحمن الرحيم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 و ขายรมะเบอะดะห์รับีอัลกุญบิกะมินอัลกัสสลีวะซุอิลกิบรีรับีอัลกุญบิกะมินอาดับิมฟินนารีวะอาดับิมฟินอัลควบรี Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอขอบพระคุณพี่น้องที่ร่วมนมาสบุษที่มัสยิดอันวาลิสุนนะที่รักทั้งหลายครับและพี่น้องที่ติดตามรายการตัี อัลกุรอานที่นั่งอยู่ที่บ้านของท่านนะครับและพี่น้องบางกลุ่มก็กำลังอยู่ที่ตลาดค้าขายกันอยู่พี่น้องครับด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาที่อัลลอให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าให้เราเกิดมาเป็นมลาลกาเนี่ยคนละอย่างกันนะมะาเลกาเนี่ยไม่กิน ไม่นอนไม่แต่งนานไม่เข้าห้องน้ำไม่ตรงบวชถ้าอาล l a ให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ต้องปฏิบัติตามนาบีนบีคนสุดท้ายเนี่ยเป็นนบีที่อลอ a อลาลเนี่ยส่งมาในยุคปัจจุบันนี้จนกว่าจะถึงวันเตียมะฟังตงามนบีอย่างเดียวครับถึงจะชีวิตถึงจะสำเร็จผมอ่านกุอานนะ ก่อนที่มานังอ่านกุอาหลายอายะสรุปว่าเราเนี่ยต้องนึกถึงอัลลอฮ์เท่านั้นคนที่ไม่นึกถึงอัลลอฮ์ไม่ขอบคุณอัลลอฮ์ไม่สรรเสริญต่ออัลลอฮ์ไม่ยกย่องอัลลอฮ์เนี่ยเขาเรียกว่าคนใจดำํำเราอ่านกุอาไปพบอไปบอกว่าไม่มีใครที่จะหัวใจแข็งกระด้างเนี่ยหวัวใจแข็งกระด้างเนี่ยไม่มีหรอกครับนอกจากมนุษย์นี่แหละ คุรานตรงไหนครับกอสวามีศัพท์อยู่คำหนึ่งนะกอสวากอฟซีนวาต้กอสวาแปลว่ากระด้างหรือแข็งในอัลกุรอานอธิบายบอกว่าหัวใจของมนุษย์เนี่ยอาชดกอสวาบินั่นขี้ยแข็งยิ่งกว่าหินแล้วอธิบายในคัฟีคุรานอีก บอกว่าหินนี่นะยังมีน้ำไหลออกมาจากหินมีรด้ไม่มีไปดูที่ภูเขาเห็นม้มน้ำออกมาจากหินคุณต้อกว่าหินนี่ว่าแข็งแล้วนะยังมีน้ำออกมาแต่หัวใจของมนุษย์นี่แข็งยิ่งกว่ายั่งกว่าหินนี่ไี่เอาล้อเล่า ถ้าเราไม่เล่าจะเราไม่อ่านกุรอานเราไม่รู้ว่าใจของเราเนี่ยบางวันนี่มันะแข็งหน้าดูเลยนะทรอยศ์กัอัลลอฮ์ก็ได้ไม่สูดอยู่กับอัลลอฮ์ก็ได้ทําสารพัดกับอัลลอฮ์อห้ามก็ได้มันจะสํานึกเท่าไหร่ฉะนั้นถ้าจะให้สํานึกมีอยู่ทางเดียวต้องอ่านอะไรต้องอ่านอัลกุรอานเท่านั้นเองพออ่านกุณอานแล้ว หัวใจจะอ่อนน้อมท่อมตนขอบคุณนรร่อนนะเมื <T> ่อในเดือนอมฎดอยวันนี้ผ่านมากี่วันแล้วเนี่ยกี่วันละสิบเท่าไรอังคารพุธประหัสสุขสาวธิดาในค่์อังคารพุธประหัสสุขสาวธิดาสิบสามวันแทบเดียวนรร่อนก็เมตตานะครับสังเกตนะมองไปเมตตาให้หมดนะนลร่อนให้ฝนตก นานี่มันหน้าอะไรนารอนทุกคนกลัวนาร้อนกันหมดแต่อลลรรให้ฝนตกต้องกล่าวคำเพลินเลยล่ะเนี่ยอรรใหอ้อย่าไป น, นึกอย่างอื่นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราเรียนว่านาบีดาไรนะนบีอะไรวีดาวูดกําลังนั่งอยู่ในมิฮารอบมิฮารอบหมายถึงที่เ ร, รือเป็นห้องทำอิบารดา สมัยก่อนเนี่ยเราต้องอ น, นึกนะก่อนหน้านาบีมุฮัมมัดเนี่ยจะทำอิบาดาเนี่ามีที่เฉพาะเรียกว่ามิหรอบมิหรอบมาจากราสซาวฮารบุนแปลว่าทำสงครามผมก็นั่งนึกทำสงครามกับใครไปเปิดอิรยาหนึ่งอธิบายบอกว่าทำสงครามกับช้ยตอนทำสงครามกับชัยตอน ถ้ไม่อาลอตุนุลละอานัชไซตอนคาถามามาตามมาเนี่ยเพราะไซตตอนเนี่ยไม่ได้สุญูต่ออาดัมอัลลอฮ์สั่งให้มลายกิกาทั้งหมดเนี่ยสุญูต่ออาดัมอาบะวะสตักบาราวะกาในมนลายิกาฟิรินแต่ไซต์ตอนตัวเดียวที่ไม่ยอมสุญูด ต, ตามคาสั่งที่อัลลอฮ์สั่งสังเกตนะไซต์ตอนเนี่ยไม่ได้ทาจินานะ ชายตอนไม่ได้กินเหล้านะ่ะชายตอนเนี่ยไม่ได้ฆ่าคนนะชายตอนไม่ได้เล่นการพ น, นันนะชายตอนไม่ได้ทํำบาปนะมีอยู่อย่างเดียวนะ่ะอัลลอฮฺสร้างให้สุญู ต, ต่ออาดัมไม่สุญูดอัลลอฮฺเลยละนับให้เป็นชายตอนจนกว่าจนถึงวันเตียมะเครื่องเดียวนะ่ะเรื่องสุญูนี่แหละไม่มาละเราได้ข้อคิดอะไร ฉะนั้นมนุษย์ที่อยู่บนโลกนุยยาไปนี้ถ้าใครไม่สูอยู่ต่ออัลลอ์เนี่ยทำตัวเหมือนใครนึกเองใช่ตอนไอ้รุ่นวีนานไปพูดถึงแค่สูอยู่อย่างเดียวเนี่ยนะท่าใครล้วไม่สูอยู่เป็นมุสลิมแล้วไม่เอาไม่นามาดอย่างเดียวเนี่ยแต่พี่น้องหลายคนเนี่ยชอบบวชเพราะบวชนี่มันช่วยเยอะ คุณดีอะไรดี่าบงบาหวานลดไขมันลดอะไรลดหมดละพี่น้องแต่ถ้าไม่นมาดอย่างเดียวนะบวชของคุณเอาล็อไม่รับแรงไหมนะไม่แรงพูดมาหนึ่งพันสี่ร้อยปีแล้วแต่ไม่มีใครพูดยากูเป็นกระเทือนพวกกันนะบวชถือเส้นอดไม่ขาดเลยแต่ไม่นมาด คำตอบก็คือนมัสารของคุณนั้นที่ไม่ได้นมัสารบวชของคุณที่ทํานั้นอลรรรับไหมไม่รับความดีที่ทาําอลรรรับไม่รับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยดเวดาวูดกำลังอะไรนะทำก็เรียกว่าอิบาดะอยู่ในห้องของเขาพิเศษนอกเวลาราชการเพราะเป็นกษัตริย์มีชายสองคนปีนอะไรปีกําแพงเข้ามาในห้องของท่าน ท่านกาลังทําอิบะดาอยู่ท่านกลัวกลัวว่าสองคนเนี่ยเข้ามาทําร้ายร่างกายเพราะทําไมต้องนึกอะ่ะเพราะพวกบันิอิสโรโอลีนเนี่ยฆ่านาบีมาหลายคนแล้วท่านก็เป็นนบีด้วยะท่านเห็นคนพวกนี้มานึกมันแผนไม่ดีแน่เพราะมันปีนเข้ามันบอกลาตะขอบไม่ต้องกลัวฉันคิดดีไม่จะคิดร้าย แสดงว่นบีดาวูดคิดอะไรนะคิดผิดชายสองคนนี้เข้ามาเนี่เล่านิดนึงนะฉันเนีทะเลาะกันมาเรื่องแกะเรื่องแก่ทะเลาะกันเรื่องแกะตัดสินกันไม่ได้ให้ท่านมาตัดสินหน่อยฝ่ายโจทย์เนี่ยเล่า ว, ว่าฉันนมีแกะตัวเมียตัวเดียวเพื่อนคนนี้มีแกะตัวเมียเก้าสิบเก้าตัวนะักขอาวมีน้ำอทิใจแล้วว่านะ this hour this own 99มี9กตัวยังยังจะเอาของฉานอีกคือมึนตัวเดียวเนี่ยนี่โจดเล่าให้นบีท่านให้นบีดาวูฒฟังนบีดาวูฒยังไม่ได้ถามจําเลยเลยตัดสินเลยก็ดรอร์ามาก่าคุณเนี่ยกําลังอาธามเขาก็นั่นกาลังอาธรมกับคุณอยู่พอตัดสินจบชายฟังคุณนี่ก็ออกนบีดาวูฒมาคิดได้ ฉันได้ตัดสินไปแล้วเนี่ยเพียงแต่โจดเล่านี่ยังไม่ได้ถามจำเลยเลยเสียใจแล้วก็คิดเขาจะเข้ามาฆ่าแต่เขาไม่ได้เข้ามาฆ่าคิดผิดพูดผิดคิดผิดอลัลลอ์อธิบายยังไงก็้ไหมนี่เล่านะเสียใจฟาสตัคฟารเขาได้ขออภัยโทษ ต, ต่ออัลลอฮ์เห็นยังครับ ข้อที่สองวอรอร อ, รอกิอันทำอะไรก็สุยูตและข้อที่สามว่าอานาบะทำอะไรครับต่บาบาตัวคิดผิดกับพูดผิดเสียใจทำกี่เรื่องสามทำไมอัลลอฮเอาประวัติของนบีดาวูดมาเล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังเพื่อให้นบีเรียนแบบไงบางที เกิดพวกเราด้วยวันนี้บางทีคิดผิดคิดกับเมียผิดพูดกับลูกผิดคิดสกปรกมีไหมมีทั้งหมดเนี่ยบางคนที่ดกับเมียจะมีชู้คิดแบบนี้มีไหมมีก็ทำไงในไปนองก็เมื่อคิดผิดพูดผิดเนี่ยต้องเสียใจแต่ท่านนาบีดาวูดเนี่ยทําแบบเอาไว้แล้วเป็นแบบที่เอา ล, ล้อพอใจนะ เลยเอาแบบน บ, บีดาวิดมาเล่าให้น บ, บีมูฮัมหมัดฟังให้น บ, บีมาสอนอุมม่าของท่านน บ, บีวันนี้จนกว่าจะถึงวันกิยามะให้ทำกี่อย่างครับเวลาเสียใจอัอสตาฟิรุลลอฮ์ในตับซีตอธิบายว่าไอตอนก้มลงสูะร้องไห้ด้วยนะแต่กุรอานไม่ได้อธิบายไว้ในตับซีตอธิบายว่าร้ อ, รองไห้ด้วยน้ําตาเนี่ยไหลอ่ะไม่รู้ว่าสูญกีกี่ชั่วโงงอ่ะ ร้องให้ไปสะอื้นไปร้องบสะอื้นไปอ่ะแล้วก็วะอานาแบบนี้อัลลอฮ์เล่าเองนะเขาได้สารภาพผิดกับฉันคาว่าเตาบ้าหมายถึงว่าฉันจะไม่ขอไปไม่กลับไปทำแบบเดิมอีกนะโอกาสต่อไปเท่าที่มีชีวิตอยู่ได้ไหมนี่เป็นความรู้เราได้ความรู้เยอะเลยทำโดยใจภูอ่าอเลรอาิตย์ที่านมาเอาวันนี้มาอายาที่เทา่นะแต่นี้อลัลลอ์อภัยป่าวที้า าฟากรฟารนาลาหูเราอัลลอฮฺจึงให้อาภัยเขาเห็นไหมสบายใจไหมอัลโลโอฮฺอภัยให้ฟากรฟารนาลาหูให้กับดาวดานกในข้ อ, อนั้นทำไมจึงให้อาภาัยละ่ะอวัยนลาหูอวัดานะซุลฟาซุลฟาแปล ว, ว่าทำตัวสนิทกับอัลลอฮเราเนี่ยทำตัวสนิทกับซตตอนใช่ไหม ทำตัวสนิทนกับนายกทำตัวสนิทกับใครนะกับสอสอกับสวทีอ่อยู่ในเขตเรานี่นะทำตัวสนิทกับนักการเมืองทำไมไม่ทำตัวสนิทกับอัลลอฮ์บ้างไม่ได้หรือหรือทำไม่เป็นอยายะที่ผ่านมาอยายะที่ยี่สิบสี่นะสอนนะทำตัวสนิทกับอ oh ัลลอฮ์ให้ตาไงให้อัสตาฟุรุลลอยเยอะๆให้สูดหยดเยอะๆให้ร้องไห้เยอะๆ แต่หลายอย่างเนี่ยให้เตาบ้าตัวเยอะๆผูมาปฏิเสธหรือตอนที่จะมานี่ยนะได้ข้อคิดอย่างใครที่อยู่คนเดียวเนี่นะนึกถึงอลรรจ์นึกถึงบาปตัวเองเนี่ยนะน้ําตามันไหลยศเดียวนะยศเดียวไม่ต้องสองสมยดหรอกยศเดียวนี่นะพวกเราวันนี้เนี่ยนะน้ําตามันไหลออกมา จะกอดรอหัคอลียนฟฟอนฝ้าฟาดไอหน้าโนึกถึงอัลลอฮ์นั่งคนเดียวนะตอนดึกๆึตอ น, ตอนต 2, ทีสองทีสามอัลลอฮ์ฉันฉันนี่บาปฉันนี่เลวนึกไปนึกมาน้ำตามาไหลรู้บาปน้ำตาหยดเดียวดับไฟนรกได้แต่น้ำทะเลทั้งเจ็ดมหาสมุทรดับไฟนรกได้ไมเห <c oughs> ็นยังนี่อัลลอฮ์ให้เกียรติเราขนาดไหนอะ่ะ ให้เกียบมนุษย์ลูกหลานพราบีอาดัมในยุคราวนี้ยุคหมุหหมัดเนี่ยเอ็งร้องไห้นิดเดียวพาะนึกถึงบาปของตัวเองเรวระเาต่อาตตัวต่อหลอสามารถดับไฟนรกไ ด, ไ, ได้ัหยได้ทมดิลลาะอาวันนี้มาอายาที่ี่บ <26. S 1> ยาดาวุฒวันนี้คุณอ่านคุณอ่านดีมากเลยนะอ่านเป็นวรรคเป็นตอนอ่านไม่ยาว พระเรารู <خ له> yeah ood, ้ว่าพวกเราอ่านกอ่านไม่ค่อยคล่องยาดูดอินนาเจาะลนาคขัลลิฟาตน في الأرض فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ฟ้ายุดลัก عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسو يوم الحساب الحمد لله يعني อโหดีมากเลยครับ يا داود إن ا جعلناك خليفة في الأرض فحكم ا بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله อินน ah <t form as blindness> ั้ลท่านที่นัลลูกอันสบิลละล่ะหุนอาบุนชัดิดบีมานัสูยูมันหิสอขอบพระคุณอ่านนี่อัลลอฮ์อัละห์นี่เตืเราหลายเรื่องนะเรามาดูดูคำแปลนะยาดูด นึกนึกออกไหมแปลว่าอะไรโอดาวูดเอ๋ยนี่อัลลอฮ์เรียกเรียกใครเรียกนบีดาวูดเห็นไหมเร า, วาเวลาเรื่องดาวูดต้องนึกนบีดาวูดเป็นเป็นนบีของอัลลอฮ์ต้องนึกอีกนบีที่มาในโลกเนี้ที่มีชื่อ25ท่านที่ไม่มีชื่อเท่าไหร่ 1ส0สองหม่ไอ้มากกว่านีเป็นตัวต้องนึกยาดาูดนี่อลัลลอฮฺตรัสว่างไงนะดาวดเอย๋ยอินนาจ้าลนากะจ้าลนากะเราได้แต่งตั้งท่านเราได้ทาให้ท่านเราได้แต่งตั้งท่านให้เป็นอะไรครับคอลฟะตันอลฟะ แปลว่าผู้ปกครองคําว่าผู้ปกครองเนี่ยนบีมุ hammad เคยพูดเอาไว้อะไรกุมบิสุนนตีนบีพูดก่อนตายนะท่านทั้งหลายจงยึดตามนบีอะไรกุมบิสุนนตียึดตามสุนนะนบีสุนนะนบีมีกี่อย่าง ต่ออธิบายด้วยนะสามอย่างหนึ่งนบีสอนสอนสอนสอนสอนเป็นวาจาสองนบีไม่ได้สอนแต่ทําให้ดูเป็นสุนนะันอันที่สามสหบะติทำนบีรับรองบางคนอนธิบายว่าสหบัติทำบิดาอธิบายผิดทำไมต้อง ก, อกล่าวอัลกุรอานสห บ, บัตินบีปฏิบตัติต่อหน้านาบีนบีเห็นนบีพอใจ อนี้เป็นสุนนะนบีนบีพูดบอว่าวะอะไรกลุมบิสุนนะตีท่านทั้งหลายจงยึดสุนนะของฉันสมรายการนี่นะวาซุนนติลุลาฟะุลาฟมาจากคอลีฟนี่แหละเป็นพระหูพจน์วาซุนนติ ล, ลุลาฟและสุนนะของคอลิฟะอลีฟมีกี่คนที่ไว้ใจได้น่ะกคนสี่ค น, คนท่านอบูบัก คันอุมาร์คันอุสมานนอ ali รบยลล่ฮ์มูดอยงมีอคนนินะอุมาร์บินอับดุลอาซเนี่ยเขาเขานับเป็นคอลิฟ้าคนคนที่ห้านะ่ะที่แข่งขันศาสนาหมดอุมาร์บินอับดุลอาซนะครับเนี่อัลล์เล่าให้นบีมุ h m m a d ฟังว่านบีดาวูดเนี่ยฉันแต่งตั้งนบีดาวูดมาเป็นคอลิฟาปกครองโลกที่ไหน พิลอาร์ดในแผ่นดินนี้ตัวงแผ่นดินของอโลเนี่ยทั้งหมดเนี่ยลอลส่งนบีมาเห็นหมมาดูอะไรมาดูแลมนุษย์กลัวมนุษย์จะทำอะไรผิดแล้วก็ไปเวลารอสอบในวันเกียมาทำไมคุณทำอย่างนี้ก็ไม่มีนบีมาสอนฉันอ้างได้ใช่ไหมแต่พอมาเจอนบีแต่ละองค์แต่ละองค์แต่ละคนที่อโลส่งมานะมาทำหน้าที่สอน จะไปแก้ตัวในวันเกิมาดได้ไหมไม่มีสิทธิ์แก้คนยุคเรานี้นบีอะไรนบีมุฮัมมัดยุคนบีอีซานบีอีซายุคนบีมูซาฟาโรแก้ตัวได้ไหมไม่ได้ฮามานแก้ตัวได้ไหมกอรูนแก้ตัวได้ไหมไม่ได้เพราะอัลลอฮ์ส่งนบีมาแต่ละยุคแต่ละยุคแต่ละยุคแต่ละยุคแต่ละยุคอธิบายนิดหนึ่งนบีมุฮัมมัดกับนบีคนก่อนๆไม่เหมือนกัน คนก่อนๆเนี่ยเอลลาลอสองนบีมาสอนคนเป็นกลุ่มไปใจนะอย่างกลุ่มลูดเนี่ยส่งนบีรูดมาจะพาะกลุ่มนะแต่นบี ม, มุฮัมมัดเนี่ยจะพาะกลุ่มรือเป่าเป่ายูนิเวอร์สอลทั้งโลกเลยเนี่ยรับผิดชอบต่างกันน ะ, ะอัลยา่าไนครับวัามาอาัลสลานกอิลลาระห์มัตัลลิลอาลามีนอาลมแปลว่ายูนิเว s ร์ส ทั้งหมดโลกใบ น, นี้หน้าที่ของนบีอุมมัดเป็นผู้รับผิดชอบสามารถจะแบด้ว่าตับรลืกต้ไหนก็ได้เพราะสิทธิของนบีต้องดูแลโลกใบ น, นี้จนกว่าจะถึงวันกิยมามะนบีเสียชีวิตไปแล้วก็ไม่มีปัญหาใครทำหน้าที่แทนพวกเราวันนี้แหละอาเลมอุลามะ้องเหนื่ยอยชาวบ้านก็ต้องเหนื่อยด้วยเป็นห่วงกัน ยาดูดอินน ah ัจัลนากะคลีฟตังฟิลอร์เบดูดเอ๋ยแทย้จริงเราได้แต่งตั้งเจ้าให้เป็นผู้ปกครองนักแผ่นดินนี้ฟะกุมฟะกุมแต่ว่าจงตัดสินนิสานนะขอร้องเลยนะนบีดาวดจะตัดสินคนเพราะเป็นกษัตริย์ แล้วก็เป็นผู้หน้าหัวหน้าคนด้วยเวลาใครมีคดีปัญหาเดี๋ยวรอนมามหานบิดาวูซ์หมดเลยสั่งว่าจ้องตัดสินแบบไหนครับใบในระหว่างใบหนา้าไม่ว่าในระหว่างอันนั้นระหว่ามนุษย์จงตัดสินในระหว่างมนุษย์จะเป็นญาติพี่น้องมาญาติพี่น้องคนดูใตายบัตรบัจฉาข้าทั้างบดเนี่ยตัดสินแบบไหนครับ บิลพักติด้วยความจริงด้วยสัจธรรมด้วยความถูกต้องอย่าเข้าข้างเอาเงินมาซื้อได้ไหมลราก็ดูสิ <c oughs> เมืองไทยเป็นไงลูกไทยจะขับรถชนคนตายเนะ่ <c oughs> เสียไปเท่าไหร่ไม่รู้แหละ ไม่ติดคุกเห็นไหมนับการเมืองควบการติดคุกสอวันอันนี้ผมง่ายมากก็นี่เล่าให้ฟังเลยเล็กน้อยนะพระบุญบายนั้นน่าซาบิลฮกเตจงตัดสินในระหว่างมนุษย์ด้วยความศักดิ์สิทด้วยความเป็นกลางมีรางวัลนะคนที่ตัดสินคดีนี่นะต่างๆเลยนะอัลลอฮ์ให้รางวัลในโลกอาภิรมย์ Atau makap w a l a t a t a b i a i l hawa latat t a b i y l h a w a h cong ya patibat cong ya patibat al hawa hawa a r o m hawa nafsu h a n g kita rasa juga a r o m hawa macam a r o m tam และอารมณ์ของเราเนี่ยมันอยู่กับใครได้ขอว่าอยู่กับใครอยู่กับไสตอนถอารมณ์ดีจะอยู่กับมาลาอิกะถ้าส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่กับไสตอนงั้นอารมณ์เราจะสำคัญมากทะเลาะจำเนีก็เพราอารมณ์เมียด่าสามีก็พาอารมณ์ เรานี่ดาลูกบางทีด่าบี้ยไม่ให้ดานะก็อารมณ์มันพาไปไ <laughs> วลาตัดแต่งนิลฮาวาอย่าไิบัตต า, าอารมณ์อารมณ์เราเนี่ยต้องพัฒนานะมนไม่ใช่ปล่อยต่อเไม่ใช่อ้าวจะเล่าเรือารมณ์ของมนุษย์เดิมๆอารมณ์มนุษย์เัวนี้หนึงชอบทำชิริ สองใจร้อนสที่เหนียวสเหียงคอเป็นเห็น 5. จะเอาชนะหกภูมิริาบาอรอเป็นห้องข้อที่เจ็ดเบ่งเบ่งนิดๆเวลามีเงินมีพองมีตำแน่งกังเที่ยวกลารนม่ว่าสะนั่นละอารมณ์ที่เอาล่าา์ไม่ชอบหมดเลย เล่บอกกับนามีอานาลิไปสอนเรียนอิสลามก่อนพอเรียนอิสลามไปแล้วในไอความใจร้อนมันก็จะไปหายไปตะกับบูญเยอะอย่าต่างๆอยู่มันก็จะไปลดไป่อไปลดไปน้ำมาเป็นตัวช่วยถือสิ่กดเป็นตัวช่วยอ่านอัลกุรอานเป็นตัวช่วยนึกถึงอัลลอฮ์เป็นตัวช่วยนึกถึงอาคีรอดเป็นตัวช่วยนึกถึงความตายเป็นตัวช่วย ช่วยไม่ให้กลางนะ่ะช่วยไม่ให้ทาชีริตช่วยไม่ให้ใจร้อนช่วยไม่ให้โมโหตัวช่วยต้องยกเลี้ยคนหมดเลยนะบวชอย่างเดียวเนีโอ้โหเห็นไหนะตัวช่วยที่ดีที่สุดประบายสามโมเปนะรียแล้วยนะังมากใครมายืนด่าหน้าบ้านนี่นี่ครับดับตัวช่วยคนเลยนะทำจะขอบคุณอัลลอฮฺเต็ม ว่าแต่แต่เดียังไงนะว่าจงจบัติตาอารมณ์ถ้าปัตตาอารมณ์เราจะเจออะไรว่ายหยิ่ลายหยุดิ่ล้ก็จะทำให้ท่านนี่หลงเห็นมฝายยุดิล้วก็ทำให้ท่านหลงจากอะไรอันซาบีล่จากหุนท้าขององค์ ผลทางานานอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลกุรอคำว่าผลทางอัลลอฮ์ิบติอ่องความหมายอันดีดีแล้วจากศาสน า, า, าของอัลล์สองจากการเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอ์ถ้าอามารมมามาเป็นมาเป็นกี่ามาเป็นพระเจ้าเองเนี่ยเนะาก็ทิ้งอิสลามทิ้งอัลลอฮ์ไปเลยอะไรมาแทนใช่ต้นมาแทน ถ้อย oh. ่าปฏิบัตตามอรมณ์เพราะฉะนั哈哈哈 án, ้นคนเวลาอารมณ์แรงนให้ดุจุายก่อนนะคืออก่อนน้บิเลยกัเวลาโให้ดุจขุนอัลล์เพราะว่าย <master> ัง <Realm> นี้ัุอลลอฮ์อัสลามอลลอฮ์อัสลอลลอฮ์อัสเยะอัลลอฮบทีนี้ถ้าปฏิบัตตามอารมณ์ละหลงทางคนหลงทางเนี่ยเป็นยังไง อิน in in ันลาจีนัมดิู้นอันซาบิลิลาแท้จริงบรรดาผู้ที่หลงทางอยู่ดิ้นรนระหว่างหลงทางอันซะบิลิลาจากหนทางของอัลลอฮได้รับอะไรตรงนี้บอกชัดเลยนะเข้าใจง่ายเลยนะละหุมสำหรับพกกุ้เขาเหล่านั้นอาซาบุนกาลลงโค อาญาบุนการลงโทษลงโทษตรงนี้สองดามแบบเบากับแบบหนักแต่ตัวนี้อธิบาย ไ, ไงชาดีแบบร้ายแบบหนักไม่ใช่แบบเบานะเห็นไหมเอาอารมณ์มาตัดสินเจอการลงโทษแบบหนักเห็ยางครับมันมีอาญาแบบเบาๆ อาลาแบบแบบเบาก็มีอย่างอับูตอลิฟอะไม่เอาวัลล้่าก่อ น, นจะตายนาบีไปสอนของลุง ก, กาวํานี้สิอบูตอลิฟก็ไม่กล้าเกรใจอบูลอบูจะ ห, หันนังกดูเต็มไปหมดมองตาเพราะว่ า, า, วากลัวหลานลานะ่ก็เลยไม่ได้กาวแต่บรรดานบีก็เล่าว่าการลงโทษของของลุงเนี่ยเบานะ่ะ เยี้อพุทธานสองก้อนมาเดือนที่กระหอท่านแบบเบาระแบบหนักลองจินตนาเหตุก็ได้ <c oughs> อต่อมาครับ <c oughs> บีมานาสูยาวมุมาลพิศนาสูบเบวะลืมลืมมนุษย์ยี่มีสายเดิมๆนะชอบลืมใคเรเลยไม่ใช่ นาซูอนนาตระวันนาสภาวะมนุษย์เนี่ยมาจากหลักจากว่านาซียาวันิสัยเดิมของมนุษย์เนี่ยชอบลืมและคนที่อ่านกุูอ่านอยู่สนับเสมอจะไม่ลืมแต่ถ้าไม่อ่านกุอูอานเจอลืมบ่อยมากเลยลืมอะไรครับยาวมาลพิสาวันแห่งการตัดสินวันแห่งการคิดบัญชี อาย่านี้ต้องการจะเตือนหลายเรื่องนะอายาววักสุดท้ายเนี่ยวันเกียรมั้งมีจริงไหมจริงครับเรียกวายามุลโิซาวันคิดบัญชีวันตัดสินมีแน่ไหมมีแน่ครับ อ, อย่างนอาย่านี้ได้หลายประเด็นประเด็นที่หนึ่งคนที่เป็นผู้ปกครองคนเป็นอะไรนะเป็นผู้พิภากษา ที่จะกระทบบาลเลยนะผู้พิพากษาจะกระดับใไหนก็ตามมาถึงก็ยออิ่งมั่งมาจะยิดประจำของวงหมู่บ้านเวลาคนตามแต่ถ้าเป็นผู้นำคนเนี่ยตัวใหญ่ก็จะมอบให้ผู้ตัดสินปัญหาให้ฉันหน่อยมีง า, งานงานเข้ามาแล้วอัลลอฮฺสั่งฟะกุบุลไบนันนาจึงเป็นฮักซ์เวลาตัดสินก็ตัดสินด้วยความเป็นธรรมที่สุดตรงไปตรงมาอย่าเบี้ยวอย่าเห็นกันหน้ากับพวกกับใครก็ตามแต่ ข้อที่สองอย่าปฏิบัติอารมณ์อย่าอารมณ์มาเป็นอะไรนะมาทัดเต้องรู้หลักการนะหลักการหลักการข้อที่สมไม่เอาหลักการมาใช้ไม่เอาศาสนามาใช้จะทําให้ท่านหลงใช่นะล้วหลงไปไหน <c oughs> หลงไปนะรบหมดอย่างนี้เป็นต้นแระก็วันวันเกียร์มีจริงไหมมีจริงครับอรรถกถาสีในวันเกียรมา a ัตมายาคิดส a ท a l ์ว่าผลัก a ุ a าริกาอวัลทอว่าเบนอาหุมาปาหิยาญาลิกอบนัมญาลีนาเกตารุว่าอิบุลินญาเกตารุมินา ว่าต่ y รับนัศนามวันออกว่าเบญจมุนีพระพุทธเจ้าได้กอบนั่งด้วยนักบ่าวบ่าวให้ดูได้ยินไหม อาจารย์นี่เราต้องการจะอ่านต่อไว่ า, าความคิดเรื่องความคิดของคนการาฟิกับความคิดของผูง้ศรัทธาุมีไม่เหมือนกันความคิดนะ่ะ ความคิดางคนกาเฟนเนมองโลกใบนี้นะ่ะมองอย่างหนึ่งแต่พูดศรัทธาต่อรงมอ ง, มองโลกใบนี้นะ่ะมองดีมองในแง่งดีหมดเลยอุมกัะเราไม่ได้สร้างแล้วก็เาว่าสร้างมาเราว่ า, า, ม า, ไ, วาไม่เราไม่ได้สร้างอัศม่าาวาัา ทนาวันอาลลอฮ์แล anyway? ้วก็แผนดินทำไมอัลลอฮ์พูดครับแผนดินอยู่สม่ำเสมอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอครรู้อ่ะริสกีในยอยู่บนทาฟ้าเยอะริสกีอยู่ในแผนดินเยอะมากครับอัลลอฮ์เล่าเองไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนหรอกทำตัวให้ดีสิ ทำตัวให้ดีอย่างเดียวเลยนะริบีอยู่บุชันฟ้าเต็ ม, มเป็มบนอรอถจะประทานลงมาเมื่อไรก็ได้แล้วก็แผ่นดินก็เหมืกันให้ริบีออกจะแผ่นดินเอาละกันวาง่ายมาก <c oughs> ขอให้เราทำตัวให้ดีน ะ, อะขอเล่ามีคนตกปลายอยู่สองตุ่มในโลกอาดั๊ อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนมา ต, ตกปลาด้วยนำมา ด, าด้วยตกปลาได้ไม่ได้อีกกลุ่มหนึงตกปลาไปไม่นำมาดได้ปลาโลได้ยเยอะมากเลยไอกลุ่มที่ตกปลาไม่ได้เดี๋ยวเาคุยกันเราอยู่แบบมันดีดไหมไอนำมาในระบบภาษาหรือเปล่ า, า, าถ้าไม่ตกปลาไม่ได้ ก็เลยย้ายที่ไปตกปลาที่อื่นเราคุยกันว่าจะน้ำมานหรือไม่น้ำมานเขาบอกน้มามันเนนมานไปนะมตกปลาไปน้มามันไกล้าไม่ได้พรางคนมันจะกลามาตัวหนึ่งตกตั้งหลายวันได้ปลามาตัวเดียวพาปลา ที่ท้องปลาเจอไข่มุกทีท้องปลาเจอไข่มุกเอาไข่มุกนี้ไปขายได้เป็นแสนเดียร์ฮัมเลยดีกว่าได้ปลาอีกทังหวะเห็น <c oughs> ยังครับริชกี้อยู่ในน้ำริชกี้อยู่ในแผ่นดินริสกี้อยู่บนชั้นฟ้าขอให้เราวางตัวให้เราดีกว่าแล้วกันนะ เดี๋ยวอันรถจัดให้ที่ออกมาในรูปปลาออกมาในรูปคนนี้เอาฤษีมาให้ให้ฝนตกลงมาให้ต้นไม้างก้นมันเราเราไม่รู้ว่ารถจะให้อะไรเราอ่ะขอให้เราอยากดีมั่นใจต่ออัลลอฮ์เถอะทาชบอัลล์ไม่ตายนะครับอัลลอ์ไม่มีใครตายครับท่านพออยู่นั่นม่มีใ วามะตระนัสะอวะลอัลและเราอัลลอฮไม่ได้สร้างชันฟ้าทำและแผ่นดินวามาไบนาหมาบะฮิดะบาตินตัวรายสาระไบนาห์มาในระหว่างชันฟ้ากระแผ่นดินเรื่องรายสาระไ ม, ม, ม่มีนี่มุกนินอัลลอฮสอนมุกนินให้มองโลกุญยาไนี้ มีบาร์การโยมมากตกลงว่าลอ้างทัดฟ้าแผ่ดินมาเนี่ยไรสารังไหมแต่คนชาเฟดมองไรสารัต่อไปยาเิกกอนนั่นะนาจารยรุนั่นคือวันหน้าต้องรู้นึก นึกคิดนึกคิดอัลลอฮฺนินาาฟรูผู้ที่ปฏิเสธนึกคิดว่าทั้งฟ้าทั้นดินไม่มีอะไรมีอะไรกันล่ะไม่มีอะไรมุสลินคิดกันไม่ได้มันรอดสอนสอนอาลลอฮฺให้ไปบอกก็คี่อีมานต้องหลอกที่อัลกุอานมากกว่า พยายามมองดูชั้นภาพแบบนเนี่ยม so e er so so so so ัจะมองว่าอ um ัลลอฮ์กล้ามานะเรื่องเสียหายไม่มีเอาคนจะคิดว่าไรสาระเนี่ยคนจะคิดแบบนี้ไม่คิดนะคิดที่จะคิดทูคิดที่เอาคิดถูเจออะไรว่าไว้ลุลินลินกับฟรูฮินันด ความวิบัติไวรู้ว่าความวิบัตินี่ยังดนะผู้ทกลัรู้ปฏิเสธปิคิดผิดผู้ที่คิดผิตเรื่องการฟาแผนดินไม่มีอะไรคิดผิดคิดผิดนยังไงไวรู้ความวิบัติม่นานนัอยู่นานอยู่ไหนเราได้ไหม แค่คิดผิดอย่างเดียวเนี่ยบางปลายชีวิตไปอยู่ที่ไหนอยู่ในนรกเราเดียวที่สอนเราต้องคิดเรื่องดีว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้ชันฟามาดีมากเลยเราลืกหนี้มาเลยชันฟาหรือเปล่าว่ามีมาชันฟาใช่ไหยิบรีอยู่ชัน ฟ, า, น า, า, นฟาใช่ไหมยอยหมหานับีพาเบคารอานมาแล้วต้องเลืก อ, อ่ะอันดูดดดดดดดด คนกาแฟไม่เห็นจะเป็นไงกันอันนา่าไปนรกไวลวุสบางรูแปแบบอาจจะเป็นคนรบบคนกาแฟมองว่าโลกใบนี้ไม่มนุยมีไฟนรก <laughs> เราถูกสอนว่าโลกใบนี้หมดอายุไหมหมดอายุดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนท่านฟ้าเป็นเด็กมีวันหมดอายุนี่มุสลิมเชื่อแบบนี้ถึงจะเข้มแข็งไม่มีใครสร้างได้โอยการะนะครับข้าต้อึกว่าอัลลอฮ์าว่วววมวมา ม, มีวันหมดอายุัหมมีวันหมดอายุอย่างแน่นอนข อ, อมาอายที่ยี่ป أ َ ن ْ ج َ ل الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ك َ ا ل م ب ْ ر َ ي ن َ ب ا ل ْ أ َ و َ ن ْ ج َ ا ا ل ْ م ُ ت َِ ي ن ََ ن ْ ج َ ل الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Kalimustirinafil alam, amnajalul m u s t a q i r a n k a l i u d j a r a amfirin, a m r i n amnajalul lagi n a a manus, wa amilul kaul y a n a h k a l m u s t i r i n a f i l a r a m อามนะจ๊าลุยต็นะจ๊าลสุดยอดมืองบุกเบลไอ้ยังนี้ตัการ์ตูนบาลยังนี้คนกเก่ากับคนใหม่ในวันเตยงะวันเตยงะเนี่ยอัอฮตอนรับไม่เหมือนกันเวลาขึ้นมาจา ก, กูโบใช่ไหม แล้วก็ต้องเดินไปไหนไปที่ทุกมังซ์ในตอนเดินไปเนี่ยมุ่มินอย่างหนึ่งกาเฟ่อย่างหนึ่งนะครับทําไมชื่อเอาลอดไปกาวเรื่องนี้ในกคุณฮาร์วนในวันเกียมาเนี่ยเอาลอดตอนรับคนมุ่มินอย่างหนึ่งตอนรับคนกาเฟ่อย่างหนึ่งนี่เพราะมีคนบางกลุ่มเชื่อว่า มุกมินกาเฟเข้ า, า ก, กันเหไนะหอ้นี่ยยิ่งคนกาเฟเนี่ยบอก่างนี้มุมินอยู่บนโลกเนี่ยมีค่าอาลัลลอฮฺให้ให้ให้มุกมินบนบุญยาเนี่ยจะ ด, ด้ยดยอยกว่าคนกาแฟใช่ด้อยกว่านะเอา้ตำแหน่งในสภาพวกเราไม่มาไม่มีใ้ไหม นักการเงอนดังๆเยมังไม่มีคนรวยมากๆเลยมันไม่มีคนกาแฟหมดเลยเมื่อเขามองบนโลกดุไรนี้คนกาแฟเหนือกว่าแล้วไปนวัเถียมัามีกิามะกาแฟก็ต้องเหนือกว่าอลเหล่าเนเหนือกว่าบนดุา หลังจากตาลาฟื้นนะเองไม่เหนือกว่ามุหมินแน่นอนไม่อาดุขะเราค อ, อัอนะจาลลลีนะฮะมานูนะจ า, น า, า, าันแปว่าเราปฏิบัติอัลลัลีนะฮะมานูต่ตอบรรดาผู้ศรัทธ า, าลลและ ผู้ที่ประกอบการทีทั้งหลายการมุกเสด็จเช่นผู้ต่อการเสียหายพิลอาร์ดนละแผ่นดินกันนั่งลึกใเราจะปฏิบัติต่อบรรดาผู้ศรัท ธ, ธาและผู้ที่มีอม m ันพิสุเหลเช่นเหมือนกับผู้ก่อการเสียหายณแผ่นดินกันนั้นหรือ ผู้ก่อการเสียหา ย, ย บ, บนดินยังกลุ่มไหนกับมนาฟิกมุสลิมคนที่มุตัซตกศาสนาคนทำพิจารณากลุ่มเดียวได้หมดเลยเพราะนัานผู้ศรัทธาต่อรอดีตามน้าราจะตามนทีและมีอามันตุสแล้ว เ, เนี่ยอัลลอฮจะให้รบบางนวนัลยึดบอลรัรนต่อแทนเหมือนคน ที่สร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินนี้กันนะั้นนรเรามาตอบแทนเหมกันได้ไหไม่เหมือนกันผมจะเล่าให้ฟังกับพอฟื้นขึ้นมาจากหลุมฝังศพผมทำอธิบายนะมาฟื้นขึ้นมาจากหลุมฝังศพนบีบอกว่าพอฟื้นมาเนี่ยรองเท้าไม่ได้ใส่คุฟ้า โอ้ล้อตุ้นเปลื อ, อยกายพระเจ้าจะมีผ้าสามผืนไปแล้วนะตอนโหนะยังไมมีผ้าสามผืนไปแต่พอฟุ้นขึ้นมาจริงๆผ้าไม่มีนี่น บ, บีเล่าเองนะครับแล้วก็รุ่นลังางอ ว, วัยวะเพศเนี่ยยังมม่เกสิหนึ่งอะไรนะไม่มีรองท้าสอง เปื่อยกายสามอาวัยวะเพศผูชายยังไม่ได้เกิดเหมือนกันหมดทุกคนไม่ว่าคนดีไม่ดีเหมือนกันและต่อมามุมินผู้ศรัทธาต่อลอกจะนุ่งผ้าก่อนคนที่นุ่งผ้าคนแรกนะด้ไยนนาบีอะไรนาบีอิบรอฮมาเลยฮิสซลา เอาล้อให้ภาพมาจากสวรรค์เลยเอานุ่มปกป็นเอาล่อคนที่สองนบีมุฮัมมัดเนี่ยเอาล้อให้เกียร์ขนาดไหนแต น, นั้นอยากคิดว่าคนกาเฟตกับมุฮินได้จดุญยาไปเนะี่ยมุฮินจะตำ ต, ำ, ตำกว่ารดยรยกว่าเงินทองน้อยกว่าตำแหน่งน้อยกว่าแต่คนกาเฟตเหนือกว่า เอาไปช้หมดละเราอารย์เอกลอนเผ็ดท <laughs favour informação> so ี people, ่ผิดฉะนั้นพอฟื้นขึ้นมาเหมือนกันหมดแต่คนที่นุ่งผ้าก่อนใช้ายนบีอิบราฮิมอะไรนิดนิดแล้วก็นบีมุฮัมมัดระดับบรรดานบีแล้วก็บรรดามุฮัมมินจะนุ่งผ้าหมนเลยแล้วพวกเราด้วยนะนุ่งผ้ากันหมดคุณที่สอง พอฟื้นขึ้นมาตอนเดินไปทุ่งมาซัทถามว่าทุ่งมาซัทอยู่ที่ไหนอยู่ที่ประเทศซามประเทศซามเมื่อนะําประเทศชามอโรงอิรัฟซามหมดนะซีเรียซามหมดเลยเอาจากเมืองไทยเดินไปกีวันถึงนึกภาพแต่นะั้นทีนี้บางคนนี่นะ ชายใบหน้าเดินอันนยอยงยาาอยรนเดอยู่พิมิลจะให้ น, นำอัลลอฮฺ ะ, ะให้คนจำเป็ น, น่ชายใบหน้าเดิ น, นเดินยังไงมัได้หน้าเดินยังไงชาถามนาบีนดีบอกว่าโอมันเดินแบบแบบมันชายเท้าเดินนีแบบเดียวกันนึกภาพนะเหมือนกันไหม แต่ผู้ศรัทธาต่ออลัลลอฮ์นี้จะขีอูดองอาจดีไหมไ่ดีนบีเล่าเองนะครับอูดหนึ่งตัวขีสองคนก็มีอุดหนึ่งตัวขีสามคนก็มีอุดหนึ่งตัวขีสี่คนก็มีอุดหนึ่งตัวขีสิบคนก็มี มันมีสองสามสี่สิบินาีเล่าให้ฟังใครฮะคนโมบินพูดศานาตอเห็นไครั บ, า ต, รบตามหรือไม่ตาม่ตางต่างนะยังมันจะเข้าสวรรค์นนะเนแแค่เดินอย่างเดียวนะชีวิตต่างกันแล้วนี่อันนีเล่าให้ฟังจากบนต้ยายนี่โมมินด้วยนิดๆถูกตาถูกพิตนาถูกนุ่นถูกนี่ไปหมดเลยเห็นไหมล่ะถูกรังแกเห็นไหม ถูกรอบถ้ามุดเลี้ยนผู้ก อ, อการได้ใส่หูมาตลอดเวลาอาทีนี้คนกาเฟ่เวลาพูดนมาบางคนตาบอดบางคนเป็นใบบางคนขาเป๋ตาบอดเป็นใบขาเป๋เดินบนใบหน้าแล้วก็บางคนนี่นะเหมือนกาบเป็นหนนะ้าหนาง เหมือนกับไส่เดือนนะ่ะเหมือนกับสักส่วตัวอะรเจะเราเยียบกะฮะอะไรทำโคกบางอะไรบ้างคล้ายๆกันเลยนะเห็นไหมฉะนั้นคนมุมินอยู่บนดุลยาใบนี้ถูกดูเยียดเหยียดยามดูมแรนต่ำต้อยไม่ค่อยมีเกียรติในสังคมใช่ไหม เข้าใจว่าในวันเทียงมากก็เหมือนกันไม่ใช่ในวันเทียงมากอารม์จะต้อนรับมุมิ น, นั่นเด่นกว่าแค่เดินไปชุงม้าชัดก็ไม่เหมือนกันแล้วคนชาวเพรเดินด้วยใบหน้าตาบอดเป็นใบขาเปขาเปมันเดินไม่ได้เอาใบหน้าเดินแต่คนมุมิ น, นั่นทีอูดสองตัวเออสองคนสมคนอูดหนึ่งตัวสี่คนอูดหนึ่งตัวสิบคนอูดหนึ่งตัว แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เดินสบายนะอัลฮัมดุลิลลอฮฺอัลลอฮฺรักบัส ต, ตัองราในวันเกียรตินเนี่ยเป็นยไงอัลลอฮฺให้เกียร์พูดตะขามีอาย่าหนึ่งอัลลอฮฺจะให้เกียร์ต้ตอนรับพูดตะขาต่ออัลลอฮฺเนี่ยเหมือนกับราชพูดที่เข้ามาเยี่ยมประเทศไทยเนี่ยนะ ขอตอนรับพญานา ย, งงนยราชทูตแต่ที่เดีวกันั่นแหละคล้ายๆกันในวันเดียวกัเอารถจะต้อรับผู้สาตอรเป็นวัดดุลเป็นราชทูตเป็นตัวแทนของประเทศนาประเทศนี้ให้เกียรติยกย่องอย่างดีอัลฮัมดุลิลละอฮบลฮัมดุลิลลพี่น้องก ว, ว่า เ็นมเม้นีกว่าเปมเม้นีกว่าถามว่าเป็โมเม้นเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยนี่นบางคนเนี่ยมันจะบวชเสียใจเราไหมโทรสัมมาหาคนอาจารย์อาจารย์ไงเนี่ยอาจย์ปยังไงเริ่มเป็นห่วงกันแล้วทำลมาสเาอาอาสุท้ายย่สบเ้ Kita bunzanah hulai, mubarakul liat a b b a r u ayat ini wajat a j a t a k a r u l albab. Kita bunzanah hulai. มุบารัุลยียะจับบรูอายาัย า, อา Allah อายานีวะียะลัลกต ร, รุุลอัลมาอัลลอออฮัลลอฮล่าฮฺอัลลอฮฺอัาลออัลลอฮเอัลลอฮอัลลอฮฺอัลลัลาออัลลอฮฺอัลออัลลอฮัั ช้สติปัญญาฉะนั้นมุมหินจะอยู่ตรงไหนของโลกก็ตางเราเนี้ประสบกว่าสัตว์นะเพราะมีปัญญาสมองมันมีบัญพุทโธความความรู้สึกมีเหมือนกั น, นสัตว์คนเหมือนกันมีเท้ามีมือกินอาหารเหมือนกันแต่คนนั้นดีกว่าสัตว์เพราะ สติปัญญาความคิดที่ดีๆตรงนี้มีอยู่ข้อเดียวนะสติปัญญาแล้วก็ความรู้เนี่ยผ่านภูรานความรู้ผ่านผ่านวะีเป็นความรู้ที่สะอาดอยู่กับคนหมดเลยที่สัตว์ไม่มีเพราะฉะนั้นวันนี้คนทำตัวเหมือนสัตว์มีไหม ไม่เรียนนี่ไหมไม่เรียนกูรอ่านเหมือนใครถ้าไม่เรียนกูรอ่านทํทำตัวเหมือนใครจต้องคิดเองนะดันั้นต้องเรียนครับแล้วก็วัดแรกที่เอารอบประทานให้กนบีมอมหมัดเนี่ยอะไรครับอิกแรอิกรอแปลว่าอะไรจงอ่าน ก็ต้องเรียนต้องหาความรู้เพิ่มเติมมันจะอยู่เฉยๆเมาทั้งวันอัลละอักวาใช้ชีวิตดิบบนเลยออ่กมาดูกิตาบุญำทำพีต้องนึกำทำพีในโลกนี้ออลลนาานที่ Allah ส่งมาเตเล่มกิจสำักหนึ่งทำพีจาบุญใช่ไหม แล้วก็ซา บ, บุตาวรอุณอินจีลคุรานสีนี้อีก3เล่มเนี่ยสัมขยานาแก้ไขเปลี่ยนแปลงหมดแล้วแต่มีอยู่เล่มเดียวอลัลลอฮ์ขอลองให้อุลลามายาฮูดีกับ น, นัสรอนี้ดูแลคัมภีร์ของเขานี่นะสามสาฉ บ, บับนี่ดูแลไม่ได้ อโลอเลยไม่ไว้ใจมนุษย์ท่านคำพีสุดท้ายเนี่ยอโลอขอรักษาเองปลอดภนะัยไหมฉะนั้นกิตาบุญหนังสือมันเป็นคำพีอันจัลนาหูเราได้ประทานคำพีนั้นอีไลกะแก่ท่านคือนบี ม, มุฮัมมัดก็การจะพูดเรื่องคำพีพุดอ่านเรื่องนี้ คำเพียกรูอ่านเล่มนี้นะ่ะซึ่งมีการคุกบ้านใช่ไหมไปอ่านกันไหมเดี๋ยวนี้เราเริ่ม อ, อ่านกนะันแล้วพราฟังบรรยายพฟังตักเตีบผู้วันทุวันคนึกเออต้องอ่านแล้วนั้นท่านฮัสซันบสัสรีอธิบายอยนี้มีอยู่คนนึงมาเล่ า, ากังว่าฉันอ่านกูอ่านจบแล้วหนึ่งจบ เะาพอมองอยิ้มใสไม่เปลี่ยนอะไรเลยยังเดินพาคนเหมือนเดิมยังทะเลาะกันเนมียเหมือนเดิมยังไม่มามาเสียดเหมือนเดิมอ่านกูอ่านจบหนึ่งเที่ยวมองดูยิ้มใสไม่ได้เปลี่ยนเลยอินอ่านกูอ่านแบบไหนแส่บหรือไม่แสบ ไม่นเนาะเร า, าอาร่านกูอ่านแบบให้จบกูเล่นเลมาคุย่าจัจบกูอ่านปีนี้นะ่ะอ้าจบแต่ไม่รู้อะไรเลยพวกเรานีไปไม่แตะไม่แตกนะแต่คิดเองอ่านกูอา่านจบแล้วดีไซน์ต้องเปลี่ยนครับในที่เป้าหมายเขาจะอาลบประทานอาันกูอ่านลงมา กิตารุญอันดัลนาฮุบไลกะคัมีอัลกุราเนเ่มนี้นะอันดัลนาฮุบิไลกะซึ่งเราได้ะทานามาแกมุฮัมมัดอัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่าจะเข้าใจเพียบกับคุรอานมาจากคน น, นั่งคนนี้คนนี้คนนั้ น, น, น, นไม่ใช่มาจากใครมาจากอวกาศเขาต้องนึกนะ ตอนที่กูอ่านจะถุกประทานลงมานี่ยเอาล็กเคลียนะเพียรทองฟ้านะลงทุนเยอะไหมอ่ะเทียรทองฟ้าหมดเลยไม่ให้ใช้ตอนขึ้นไปเพื่อนพ้านข้างบนไม่ให้จักรยานสามโลสองโลรถเก๋งวิ่งที่ถนนตอนให้หลวมจะ อ, อกไปไปไหนก็ตามแต่ถนนต้องเคลียนะชั้นฟ้าก็เคลีย วันที่นบีประมัตเกิดมาเป็นนบีอัลลอฮ์ให้จิบรีลงขึ้นลงเนี่ยไม่มีอะไรมาขวางกันเลยให้เทียต่อคู่นั่งขนาดไหนกิตะบุนอันเจ้านาฮุยลาฮิกะทำทีอัลกุรอานซึ่งเราได้บรพทานลงมาแก่ท่านมูฮัมหมัดอัลลอฮ์ชมคุรนันเป็นยังไงโมบาร์กุนอันมีความจำเลย สบายใจหมแต่ท่านคนมีสติปัญญาสมองอันล่อหยกย่องนะใครที่ต้องการจะถูกให้อลลอฮฺชมว่าเป็นคนที่มีสมองมีสติปัญญาดีนี่ต้องอ่าน q u อา n อ่ า, าน Quran เป็นมุบารอแป ว, ว่านามาเพกวามจำเนินตบะประกาย เป็นบารักัตนต้องจำนึกอีิน้องเลยไปเป็นพยานในวันแต่งงานใช่ไหมหลายครั้งใช่ไ่ะผมก็อ่านกูตบ้าหลายครั้งที่บางก็จะถอนมาเอาลองมาบาริลกขอให้เจ้าเรามีบารอกัตว่าบ้เราอ่านไ้อีกแต่เราก็ให้เจ้าเราเจ้าสาวมีบารักกัตทไมมีบารักกัตเพราบารักกัตจะนมาคุณความดีอันหลายอย่าง คณะกูรูอาเรื่องนี้เต็มไปด้วยบรรากัศมุ่บ้าหรอกมีแต่ความจำเริญนต่อมาครับลียัดดับบาลูนี่เราเป้าหมายที่เรารประทานคณะกูรอามาเพื่ออะไรนะเพื่อพวกเราจะได้พิจารณาชายปัญญานี่คุยกับมนุษย์ใช่นหมไม่ได้คุยกับแพนนะ จะนั่นมนุษย์เนี่ยสามารถใช้ปัญญาได้ไั้ยได้ใช้สติปัญญาที่มีอยู่นีนะวิเคราะห์อูนางอย่างเดียวท่านทรนิพุรส์บอกว่าข้องสับมันซัับกูนางเนี่ยนี่อยา่อยางารอ่างกายาที่ผ่านมาช่มั้ยเป็นอะไรบ้างภาวะ ท่องประจำเลยภาวะเร้ ว, วารอารมณ์อัลฮับกูความจริงอาติพีนี่ยนิพี่หกนะ่อยอรีฟ้าเป็นผู้ปกครองเอาศัพย์มาท่านฮัสซันบาสรีนั้นะอธิบาย ว, ว่าเป็นอาเลมูรมากระดับหนึ่งหงของของโลกนะคนจะได้ตัวอารเนี่ยให้ท่องศัพนทะ์อย่างคอรีฟ่า แต่ ว, ว่าผู้ปกครองเราเป็นผู้ปกครองน ะ, ะปกครองลูกเมียเราดูแลให้ดีแล้วก็ให้ตัดสินปัญหาลูกเมียด้วยความเป็นธรรมยุติธรรมอย่าเข้าข้างนะครับถ้าลูกมันเบี้ยวเบี้ยวไม่เอาศาสนาก็ต้องข อ, งของดี่มาห้ามด่าลูกด่าพ่อแม่ได้เ่าองค์โดบาทยังแรงเลยล่ะบาปแรงมากเลยนะ ด่าพ่อแม่จะด่าเอาล่อและเอาล่อลว่าด่าฉันฉนให้ถ้าอดทนได้จะจะเอาเรื่องหลังตายแลด่าพ่อแม่เอาล่อลงโทษบนบุญญานี่เลยนะไม่รู้สึกตัวนะพ่อแม่กวนาน mm hmm. อาจจะตั้งดูสับนะอย่างอาเาบุานการลงโทษชะดุดรุนเรืรอร่องอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือ ว, ว่าสาหัสเอาสับไป ยาวมันดูสั้วันแห่งการคิดบัญชีเอาสับปายเป็นเป็ น, นึกโอ้ยังมันมีแภาวะาาลีวัเอาสาับายเปนท้องสับไปจำอ่ะเอาต่อมาครับเรียกดับวารูเพื่อและเขาเละจะได้พิจารณาพวกเขาจะได้พิจารณา พือเอาสับแต่ละคำแต่ละคำไปท่องให้จำกับพิจารณาความหมายของมันน้ำมานจะให้ใจลอยง่ายทีเดียวอิมามอ่านอะไรก็ตาแต่จใจนึกอันนี้ความหมายของอย่างนี้อันนี้ว่าอย่างนี้ใจไม่ลอยแต่ถ้าไม่รู้อะไรเลยเนี่ยลอยมันจะไปซีคอนไปพักโนไปรูน่นไปนี่เต็นไปหมดเลยเนาะปวดดึงึงเข้ามา <laughs> ปรมาครับวา่าญาติญาตการติญากกับติญาบุตเนี่ยคล้ายกันอ่าติกพะวาพิจ า, กการณายติญตบุพิจารณายาตกัดคควรพิราารพราาจ า, กการณาแล้กวก็คควร น, นึกเออในี่คอานที่ประานลง ม, มาเนี่ยหนึ่งเพื่อเราจะได้ ยัดดับบรุเพื่อจะได้พิจารณาอีกว่าหนึ่งวาลยิยตะดับคารอเพื่อจะได้คข่ควรคนที่คข่ควรคนพิจารณาอัลลอช์โธมว่าไงอูลุลอัลบาบบุคคลเหล่านั้นปวงเป็นพู้นั้นอูลุลอัลบาบคนที่นี้สติปัญญาคนนคนฉลาด่งนะ คนที่ไข่วปวดอะไรกนดูสับมันนนะอันลลอฮ์ชมว่าเอ็นกนที่ฉลาคู่กับฉลาอะไรงโง่ไ้ไวยาวาเนีย่ยมันเครื่องไหมเครื่อง <c oughs> แต่นี่เป็นต้นเนี่ยอัลลอ์ให้ฝตกมานงะอัลลอฮบประกา้องกาศห่าวไงอัลฮามดูลิละทำอรต้องการฝนว่าง Allahu um ma hawalaina al wala alaina ถ้าเราพอมาแล้วไม่ผลอยู่นี่อาจายนี่ใครพอก็ได้ Allahu um ma hawalaina al wala alaina ว่าจะให้เปจนจกที่มาก่อนผมก็เอ่ยน้องจอบุณน้องจอบก็โทนมาฉัานก็ไม่เอาฝ <laughs> ลดูแล้วว่า คุณอานมีชื่อเยอะนะมูบารอากใช่ไหมมีนูรุนมีฮูดามีรมมมมมมัชมะมีสีฟ้าเป็นย า, ารักษาโรคนี่ชื่อคุณอ่านมูลเลยมีตำรวจหลายชื่อนะแต่อารอดเปิดชื่อเดียวมูบารอ็อกนำมาสึ้างความจําเริญแต่ต้องใช้ปัญญาพิจราครณาไข้ขวนอารอดชมคนนี้ว่าเป็นคนที่ฉลาดไหวเพริบดีไม่ใช่คนโง่ดีหรือไม่ดีแต่ก น, น เราได้ทำแล้วและเธออ่านพูดอ่านแล้วก็รู้ความหมายถ้าไม่รู้ความหมายเอาสับไปใช่อาญาหนึ่งสัดสองคำก็ยังดีอย่างอาญาหนี้ได้กันาหลายคำไงดับบารอยากัารเห็นพิจารณาแล้วก็ค่าูควรเอาหมดเวลาครับสุภานโกโกหงาวาบฮัมดิบะชวเลออิเลาอิลลออันตราต้องคุยกับวดดีว่า